ใจหายแ้วไม่บอกแกบุดไว้ดีบุตรก็ฟังออก <c oughs> ขอากาอ้อกาบพระน่ะพระรัตนตผู้เป็นทวงชัยของเทวดาและมือทั้งหลายข้อากาบนมารมัตการหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่ท่องคำเขียนผู้เคารพของพวกเราทั้งหลาย <c oughs> ขอเจริญตลอดทั้งครูบาอาจารย์พระเทลารณเทระน้องพี่น้องพ่อลูกเนียนทั้งใจฟังให้ดีอุบาสกไบริกาญาติโยมไม่บ้าก็ได้ทุกท่ที่ฟังเงี้อันบอกเล่าเนาะมาเนี่ยไทยหนีจะบอกถูกต้องอืม เ้าไปตามเลี้ยงตามเล่าเฮานี่เกิดมาหนี่เกิดมาหลงทีเบิคุคน่ะเออขัน้นเขาบมาศึกษาแบบนี้หองก็ดีเป็นดักยูยนันซีตะเพือพ่อไปมีความรักความช่างความอยากได้นั่นได้นี่ร้อยแปดันประการเออทั้งรักทั้งช่งทั้งดีทั้งชัวปนกันเอเลยอยู่ในมองเมี่งอเนี่ยมงเมีงมนุษย์เท่านี่จนนับไปไว แล้วจริงที่แล้วไปแล้วเป็นอดีตเป็นอนาคตอดีตที่ยังมันมาถึงกับว่าเอามาว่าอนาคตยังม่นมาพอดง่ายนี่กัไปก้าวเน้นว่าวเรียงนั้นเว่าวเรียงนี่พูดนั่นไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปต่อไปเป็นนั่น น, นี่ว่าไปล้วนหาไปเลื่อยไปแต่เพื่อไปมันเป็นยังสัน้นบัดมาเขามัาปฏิบัติเขานี้จงค่อยเข้าใจว่าพ้นเท่านี้ หลวงพ่อเมื่อวัใหม่ๆเมื่อนใหม่เนี่ยินหลวงพ่อเขียนเทศเร่องนี่แหละเรียงเรงคนน่หนาตาเป็นคนคิดใจเป็นยังเป็นก็ได้นะมามืคือเห็นแล้วบันนี้เพิ่นก็ถามถามเพิ่นบึงเพิ่นมามันเป่นเป็นอย่างไรเป็นเังไหนอันเป็นตอนนี้ลกเป็ยนเปรตมันเป็นเฮานี่เพราท่านตายมันเปลนเัื่องไหนมันไม่ค่อยเป็นเพิ่นกระเทศเหฟังเทฟังโอ๊ยจริงๆกับผมก็บมันมันตีมีคนปอดแต่คนลื่อนหร เมืบบดอกเป็นบดเขาสร้างเองบดบัดมาเห็ดฟังต่อมาต่อมาอีกเกิดมานีปะทู่มันเป็นธรรมดาเกิดมาหนีเขามาสร้างกรรมให้เจ้าของบดเลยบ่อหูจักยังดอกไม่ออกเห็นนรกเป็นตะวันหิงกอกยักเป็นดอกบวัวเห็นพิษเป็นถื่อเนี่ยเอาแต่จะอยากบ่ออย่างไดเอาแต่จะอยากได้อย่างไดเอาแต่จะว่าอย่างไดมีปากเนี่ยไปคนเดียวเท่นั้นเพราเพื่นเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เลี้ยง สารพัดแต่จะมันอกทั้งสุกแน่ทุกเนี่ยไปตีตอันนู้นนั่นล่ะจนก็ให้เกิดเป็นพ่อค่อยขิ้นคยแสงกับแสงตึงมาเคยแสงกับแสงรถดเคยดากันดาน่าค่อยวากวาเคยเป็นในมาเป็นไปบดแหละคนเท่าเนี่ยเรื่องคนเนี่ใส่ลูกทเต๋านี่แสงทะกอนด่าทะกอนจงคอยใส่โอ้มันทีอยากยู่เลือคนอ่ะผมนี่ย่อยากไปใส่ความเลยไม่อยากใส่ไปเพจแห่งวามเดว เพก็ะตังคนเดียวพอก็ะตงแม่ระง้เอเนี่ยเขาบืนว่าดาโรดเนี่ยเป็นได้แล้วคนนี้ไสลูกว่าเป็นเห็นเขาตีโลกตีเตาสนามมึงมืมีมือมีตีนเนื้อมีดฟันหัวมันแนบอยางมึงบนมีมีติีพระนะห้วยนี่หลวงพ่อไปยามู้ยามพวกเห็นเขาสอนดูกสอนเต้าหู้สอนนักสีมันสอนให้ลูกเป็นจนด้วเี่ยะ บอดายตัวพ่อกาสอนเลยตัวพ่อพกาสอนนี่ยสอนหลวง ก, กันแต่ไหนเออบอดาบ่าวาเฮ้ยตีเขายั้งเท้าไว้นีถ้าเปียงบอกกันไปทั้งพุ่นนี่ไปต้งทันบันนีไนลูกมาบัดเนี่ยโอยพองไปป่นไปกี้เขาไปทัวตีประโรดประตูมันพอเมรเขาสอนนสั่นมันก็ได้เปียงสิเด้เนี่ยวพะพ่อว่าค้นเ้านี ค น, นสอนพู้เนี่ยสอนผู้นี่ก็คือกันทำอยังคือกันพัดพาลูกทำอย่างนั้นพาลูกทำอย่างนี้ลูกทำไปอย่างไดก็เขาก็ บ, บอกเป็นพ่อเป็นแม่เขานอกเขาอกยังให้มันเป็นเขาก็สอนบอกไว้บอกไว้ถ้าพืชหน้าไว้มันไม่ค่อยดีนี่สอนให้มันดีมันก็ดีเป็นน้องพ่อและแม่เขานี่ยแหละแต่จีนันก็สอนก็สอนง่ายนะพวกคุณยิ่งเคยสอนง่ายผู้ชายก็สอนง่าย ไปเอาบูดเอท่านนั่นจะไปตีไปต่อยกันได้เท่าเอ้ยมันกับฟังผู้ยิ่งนั่นขันเทาถามบอกว่าไปจะไปผู้หนึ่งผู้เดียวเด้อเด้อไปหาผู้เถ่าผู้แจ๊บไปหาแม่ยา่นั่นไปแม่ป้านั่นแม่ยายนี่ให้ผืนพ้าไปเด้อถึงจะหนีเพลินห้ยขันเาถามเพิ่นมาถามมึงมันพอด้บ้านเด้มาถามมึงมันกะว่าหนีไปไทยดอกเนนําสันนี่ละเ่ไหเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ห้ยพวกหัจักทียบดอก มาพ่อว่ า, ว า, วามาเมนลูกพูไ้ได้ละเดียดสั้นเวยมู้สันดอกพรานะนามลูกชายกคือกันทำลูกสาวก็คือกันแต่ลูกผมก็เป่นดอกนั่นนะแต่ลูกมูกน้น่เป็ยนอยูแ่แต่ว่าทุนหุนทั้งทรายในวันเป็นนเปีนดอกเนี้ยบัตรท่นเปลี่ยนดอกเป็นบัตรตั้งแต่บัตตั้งแต่มากกันนี่ก็เคยไปยูน้ำกัดด้วซื้อเคยไปยูน้ำกัดมากกันก็ดูกันเป็นด้วยสมบัติผู้ดีน่ละบ่อันธักเมื่อกี้เชิญไฟได้เชีย เข็นหูกเข็นไฟเด่นไม้พวกผูกก้่าแต่ก็พอสมกั น, นี้กับปายุนเขาไปห่ออดดั ก, ดกหอดแจ้งเนี้พดแล้วไปนันมวนพักกันมวนาสนออนกงังกักดโดยนี่เขาเปน็นทันเต้ขี่รถมาตงไปเข้าไปไกลๆกันเ่อะุไปบ้านใกล้ๆกันบาดินบ้านใกล้ๆทั้งเอเมนเด็กน่อยเขมาม่จะใส่หนึ่งหือว ไปทำหลวงพ่อจร์ะไปกับหลวงพ่อจันร์เนี้ีกับบ้านกับมาวัดเขาผู้บ่าวผู้สาวเขาด้วยบ้าหัวซันว่าางโบจักเจ้าโบจักด้วยซันเอว่าเป็นันตีหลวงพ่อมาเว้ยเป็นนัันไว้ยซันมาแต่ผลแต่บ้านนนโพ่อพูดอ่ะมาแต่ทางบุะมาแต่ไปบ้านบ้านเขาไปละเห็นเขาจี้น้ากล่นกันไปพวกผู้หญิงกับผู้ชายซ่อนกันซ่อนกันเนี่ยวยม่นอ้ไมเป็นันตีชื่มื่อนยู่วะโอ้เป็นนตีแล้วซันมัน่ะ อันผมก็พอเห็นดอกเห็นพวกเขาเด็กน้อยเขาเมากันมาซันน่ะมันเหมือนมันมืดเหล่าต่ว่าน่ะนวาน่ะเนี่ยมองดูมันเป็นน้ำหุกน้ำสมัยมันเนี่ยถึงทะเพราะะฉนั้นก่ามาปฏิบัติซะจังสี่ล่ะปฏิบัตินี่ได้บุญก้อนทุบมัดคู่ตวันเขาการทำบุญให้ท่านรักษาสน์มุนีไบ่ได้ท้ออันนี้อันนี้น่ะมีบักวีตอน เออมียุคมิสมัยมันเขาเหตุเดี๋ยันี้เข้ามาทํานี่สวดมนต์สวดพรไปตั้งแต่เขาบวได้บุญหนึ่งตั้แต่พิรดาตั้งแต่ฮู้ทำวัดทำว่าทำเพื่อไปคอยไปใจหัวน้อมน้ำไปแต่เพื่อต่เพือเออใจสบายใจบ่คิดไปทั้งอื่นเนี่ยขั้นอันไดนเกิดขึ้นมากที่เขาก็้าหูจักเออขั้นหูขั้นฮู้ไปเขาม้อตั้งแต่ ขันคิดควบคิดขึ้นมาหาคือจิตใจเขาออกจากเอาไปที่มันผันหลงตอนนีน้มันเขาสวดมนต์ในอดัยสวดมนต์โวหลงเราท่านมันไปออกแล้วไปเรื่อยไปแล้ ว, ลวเขากะกลับออกขึ้นมา จ, าจาังจ่ะเขาเห็นจิตเห็นใจเขาเขามาฝึกเนี่ยโอ้บดได้แทลจริงอันมู้นนี้เขาบอเคยเห็นจกักเทอจียมแีแต่ป้อยมันไปตามเลี้ยงตามเล่าไปเบิ้ตะพื้ตะเพื่อมันหักกหักมันสร้างกระสังมันจะกินมันจะเล่น เอาตั้งแต่มันเดียกไปเอาตแต่มันได้ผ้าไปมันส้วนห่อบัดมาเห็นแล้วอันนี้โอ้ดีลายดีหลายมีตรยอดบุญยอดกุศลเน่ยเขาเหตุตอนนี้ก็ได้อันนั้นเขามาตัดกรรมตัดเว้นผู้ชักไวิจารคมาตัดกรรมตัดเว้นหึงเลยแต่ก่อนน่ะเอาแต่อยากว่าเอาแต่อยากปากเอาแต่อยากว่าอ่ะอันนี้บัดนี้ยเขาตอนนี้น่ะเขาพอได้วาได้เลยอันว่าตถว่าอันโบเดชุ่มดีที่มันมาขัดปึ๊บเลยเนี่ยมันโบประด้ โอ้พระท่ น, นว่า่ะเล็กกว่าวาเออยังมันที่คิดแต่อื่อนเนี่ยคิดปั๊บไปเสียเพราะพระแม่นแล้วเอ่ยยุดขาดออกไปเขาก็มาเบื้องมันเออมาทามาเห็ุต่างความเนี่ยเดินกรมคดีอันโยกเมื่อเนี่ยคดีอันนี้ตั้งแต่ก่อนเาบเห็นนักเทียนี่อันนี้เป็นของรักษาเาแท้ๆป้องกันเ่าเออตั้งแต่ก่อนเขาพบเคยเอื่นหาจกเรอกเขาพบเห็นนักเทียเนี่ยอันนี้เป็นของรักษาเขาแท้ๆป้องกันเห่าเ อ, อตั้งแต่กนเขาพบเคยอื่อนหาจากเาหรอกเขาบเห็นนักเทีย่ยอันนี้เป็นขงรักเขากัหา บัเท่ามาเห็นโอ้บัดได้แทะบุญนี่มันด้วยดิเ ด, ด, ด้อีตัวรููตัวหูซื้อคุเมียอีตัวเดินจงกรมหูซื้อคุเมียนี่เด้อเนียว่ายาำเขาเดินอยนู่กรมสิเขามีสมาธิควบแต่งใจมันเนี่ยมันออกไปน้อยเดียวเขาก็ับหูจักหูจักพอหูจักปั๊บเนี่ยเขาก็พอเขาเดียวเห็นดแล้วมันก็หลุดออกไปไม่ก็ขาดออกไม่ก็ะรุดออกไปไม่นขาดออกบ่ได้ตีโอยตีพ่ายบอ่ได้เออเป็นอันนั้นเป็นนี่ขึ้นอีกต่อไป แต่งเจ้ก้อนเนี่ยเว้ยออกจากหมวดนี้ก็ไปหาหมวดอื่นอีกไป็นไงคิดเลี้งนิดพ่อเราก็ไปต้อเลี้ยงอื่นอีกจบเลี้ยงเนี้ไปเอาเลี้ยงนั่นอีกเอาไปมาได้บนได้ล่องหัวเป็นมาเนี่ยเพิ่นเพิดเพิ่ น, น, น, นมา น, น้ํามันนี่บ้านี้มามาเห็นเดี๋ยวนี้นะั่นนี่แหละว่าได้สร้างพบสั่งศาส ท, ทอมันบมฮูาจากักเขาจะไปเอาจักรที่าบานเนี่ยไปอยู่ในความคิดติดรู้กับคิดอ่นั่นแหละ พพบชาติเขาเกิดขึ้นมาแต่พันเดไดได้ตายไปแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่เราเกิดเป็นนี่ทั้งเทียเป็นทัดทั้งอื่นไ ป, ปุ้นแล้วเป็นสัดเดดซานเป็นเปพจเป็นอสุรกายเป็นซัดนันโลกไปพูดแน้วคือได้เคยคือจักปตีปคาเขาคือกับว่ตโต้เจ้าเสียมันเกิดขึ้นทุงที่้นี่ยไหนวะมาเห็นแล้วเบิดกรรมแล้วไม่ออกชัวเขาบ่าเห็นอีกได้ จริงเขาเคยตัวเขาจีบเขาเห็ดอีกต่อไปเขาจีบเห็ด เ, เ, เอาจงแต่ของดีๆน้ำผึอเขาเห็ดด้วเนี่ยคือมันเกิดมากก็เกิดมากนหน่อยเราขายยุ่งขายอย่างมูนี้วะไอของเสียนำล้างกับเราเลยเว้ยคือต้อเอาเจียบคือพปนท้อคิดว่ากดาได้แล้วผมอ่ะดหลวงพอ่อเนี่ยยัดทุบไปยืดมันถื่อมันมันไหลอันไหนมัน่วนาเขาตีไปมันถือเราก็เสียวกเสียใจนอนบพได้ เออนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนบ่หลับเพื่อนโจ้าทัลบาปเลยนะเนี่ยจะตุเปเจ็งทันเพื่อนว่าถือถือสินโพตสินโพสเนี่ยมันมันยันถ้าได้ไปขาดไปเหยียบสัตว์ได้เตียบมด้อเตียบแมงเหยียบอันหนี้ยขาสัตว์ขาดยังเล็กเล็กน้อยน้อยมืน่ะกินบม่ได้นอนบม่หลับไป็นนะนั่นนะเ่าได้บูดอกเล่นนะมันยันในบาปเพื่อนระวังเงินนะ โมไดยางดอกไปใส่ก็ไปโมไดเออคันเหยียบโมตายแต่ยังได้ไปนอนจุบโมลืมจักเชียวแล้วน่ะเออคิดยันบาโบ้เหตุใดสิเฮ้ยเศ้าน้อดันดันล่ะแหงแหงแหงบาปไรอะยาสุเป็ดเพ็ดป้าเขาน่ะเออมันเหยียบเราก็แล้วไปมันตายเราก็แล้วไปเพจ้องจะไปยึดมันทื่อมันมันเอาขึ้นมาบ่ได้ดอกเน้ยเอาแต่อขึ้นบ่รื้อหนิล่ะมันเทามันบ่มันเท่าบ่เป็นเนาะน่ะเออ เออมันแล้วเล่าก็แล้วไปเป็นอดีตแล้วยังมาคิดเขาเลืมมั น, มมนก็เลื่อมธรรมดาสัตว์นรกมันได้มาจดยังรองเสียแต่ผู้จ ด, จดย์จไว้เต <laughs> ี้ยสัตว์นร ก, กเราเมียเราพอหูจักแล้วสั ต, ตว์นรกโตเขาเนี่ยแล้วเขาขาสัตว์ลงไป เ, เสียพวกนี้จะไมาเห็นเขาละขาคนเดียวไหมไป ม, มุดหน้ํามุ้งเตี่ยเขาก็เห็นเขาเอด็ดโยเอาไปเข่าอยในเฮี้ยนไปเฮ็ดไก่ขายคนเดียวกับเข า, าก็เห็นดูเสือีอไปลักเขาไปยิ้งเขามู้เนี่ย นั่นแหละตัวตนนั้นโรกอ่ะเขาเห็นเขาเพืด้มจดตือเขาเขาจดตือเขาเองไนีเนี่ยจิตอีตัวเขาโรคลงไปเนี่ยมันจินว่ได้มันอนมาหลับมันอยากวให้ผู้นั้นพัมันอยากโวให้ผู้นี้ฟังอันนั้นไม่ยังนั่นน่ะนั่นแหละตัวบาปอ่ะมันยานเขาไ่จับมันมันมื่ก้อยากโวอยู่เพราซเลรมันอยากให้เขาจับพ่อมันจางไรมันของยางไรนตัวเขาหนีมันก็คือเ่ราะซาเลยวะนี่ไม่ออก กูทีวาเลี้ยงใคคนฟังหน้าคนกูที่ว่ากูดีแท้ข้ากูเบาเี้งเดียวเนียไปว้าแร้ว้ยเขาเห็ดูถูกนิดสั้นในั่นแหละที่ไปคาเขาที่ไปว่าอยังทำลายคนอ่นมื่น่ะกูก็บอกพื่นผู้อ่นมื่นอ่ะฉันบอกรอเขาไปว่ากันฟังมันเนี่ยเอ้พอเขาก็เครียดขึ้นเลเนี่ยเครียดเคาถามเราโอบ่บ่บ่รับูได้บ้างเนี่พูด้ก็บ่นรับว่ากูไ่ได้วเท้เลยปีกว่าบ่บ่บ่ยอมรับความจริงเลยมันเป็นแค่นันอ่ะ ยังบวาเกิดมานี่มาสั่งกรรมให้เจ้าของเบ็ดขวดย่างตัวเดาเขาบอกเนี่ยเ่อวนนี้เ่อหัจักดอกมันเพิดเพื่อนมาไม่ออกมันมันมันมีเสน่เล่คนเมียกันเนี่ยเออมันมีรถมันมีชาติลายเขาเห็ดไหนไหวมันไปติดเบิดอันชัวชวม้นกลับไปติดเด้่เคยข่าเขาแล่าเคยไปทำเขาจังเสียคิดอยากไปเห็ดด้วยเลยแต่เพื่อเพื่ออยู่เนี่ย ไปมักกันนี่เขาที่ยวกัมักเขาย่านพนอื่นไปอื่นอยากไปมังไปจอบเขาย้อนแล้วขึ้นบอลเรื่มขึ้นไปอิดช้าของท่านเนี่ยเนี่ยมันห่วงเบิดกูตุเนวอันทุ่มซัววเนี่ก็ยังเอาว่ตถิมจักรเทียอันทุ่มดีเนี่ยกะโหจากว่ามันมีสดมีสะอาดด้วยแล้วหลายแล้วอันทุ่มตีไปคาเขานี่หน่ามันปวดเศ้าจักเทียมันเกิดมันไปยึดมันถือมันจนหมดพุ่นนะจนตายเขาตายพุ่น มันก็ยังปฏิตายมัยังคิดเห็นเยอะเลยนะใจขาดไม่ออกทุ่มพวกขากันเนี่ยโมไปยังอันนี้ตัวนั่นอันนีตัวเขาไปข่าเขานั่นนะมันอยากว่าให้เขาฟังหลายยันย่านเขาบ่ใส่ซัดใส่กมให้กันนี่แห่ะมันก็เล่คืดเอาเองมันก็เศร้าบ่ได้ตัวบาปนั่นเดียวมันเวียนมันอยากให้เขาจับ ไปตีคุกีข้ามยังขันมะเล้วกันย่านเขาลืมเป็นอดีตมาแล้วนี่ขันเขาพ่คิดอันของเล็กเกน้อยนี่น้อยเนี่ยเขาพ่คิดทั้งทีมันบะลืมไปที่มันก็มีบาปโยคันเขาเื่อมไปี่มันก็พกเคยนได้บอกขันาเขีเน่ะมันก็บ่ม่่คิดจากที่อ่ะจ้ะมันก็แล้วไปเบิดเสื่อมีได้ทุ่มน้อยนนแต่ว่าทุมใหญ่ใหญ่นี่ขันเขาไม่ทีนัน เข้ามาตรวจน้ามไฮโคแน่ทำคว่ำดีของเขาไปแน่ทั้งทีมันมันขืดเห็นเขากาบบต้องไปคิดมันูแล้วก็แล้วไปมายุ่ตัวรูนี่เออตรวจหน้าไปกะเยียดดาห น, น, น้าไปขดเห็นนั่นแหละเจ้ากลมนันไว้เน้เอเขาขืดต่างๆทังข้างนั้นข้า ง, งนั้นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นตอกกะเดามารับเ อ, อ้ซะติดตรวจน้า ม, มาให้ให้ไปเปินเกิดบ่นดีสิสุขเออไปทันแล้วเข้ากับคว่ำดีเขากาับวาอล ค่อฟ mm ันเห็นทีมันค่อยเลิกไปเลิกไปก็เบิดบอบบกบกบอีกจรงเพราะว่าโอ้ยเกิดมานี่ยจะมาสร้บุญหลายหลายว่าะขันบอจังันบไหมาจังที่น่ห้องนีสิปนี้สิไปสิบแต่หลวงพ่อนี่คือว่าทตายแล้วบวยังหอกใกลตายเตายไม่มาบวชเนี่ขันใจขันใจบออกแล้วแต่มาเป็นภาคอะไรไปโย่เนี่ยไปยน้าหนกปูโย ยังล่ะตเร่เน่ยแล้วโยฮันงปูเียนเทียนาเนี่ยเออถ้า็นควันเนี่ยหลวงพ่อนเนี่ยะ้ากู้ังอ่ะต้องไปกับหลวงปู่เนี่ไปกับไปเป็นไงกูปปง้งมูน่น แ, แล้วเป็นผ้าองคไงกูมง่ด้แก่กูมง่เพื่อโยหันทางปลาทหลวงปู่เราก็บอกเออวันนี่ไป ปฏิบัติได้เก่งๆนะใครเขาเนะี่ยขยันเข้าเขาไหนจะไปทางปากก่าเขาไปเขาไหนจะมาเดินโยกมือก็ไปก็มาไผ่ไรเสียงก็จะไปทางป่าแม่พองแตนพองต้อพองหนามพองยังปักถิ่นปักมือเออมันเป็นนกะจิคันที่ตาไตนะ่ห้อ น, นที่ไตนะ่เนอะเออบอมีคนแท้ๆที่วันเนี่ยหลวงพอ่อเราไปทางคนเดียวอะ่ะมันมันจะเหตุจากไหนเนี่ยไปนะ่ยพูดอีเหตุให้ขันบมเหตุอ่ วัดกับบุมีตุบกันหลังน้อยๆของไผของมันลูน้องยกปลาสิเนี่ยวันนี้กับไปล่อมูมาได้สองคนณคุณแดงคุนึงกับคนเล็กคนหนึ่งมามาว้าวล่อข้ามาวันเถอะเขามาหนังปันนั่นสิผู้ใดถิ่มมาสั่งเขาเขาบ่เห็ดเองวันนึงพ่อเราติเห็ดยังไหนสนุกหลวงปู่ตะบุเห็ดบัเห็ดบ้าเห็ดดอกดอกเขามีเราเห็ดเห็ดเองว่ เข้ากันพักกันไปทางป้าทางสามคนนี่ทางสามมืออุย้ยได้น้อยเดียวหนึ่งไหมห่วยมันหกไหลาบานนี้จะยังไหนห่อวะห่วยออกเกินคนอร่อยห่อวะเดี๋ยวก็ไปขอนุ่มพวกนี้อีกพระน้องพ่อเขากันเนี่ยสองเก้ารูปเนี่ยได้เก้าร้อยนี่เขาวะบานนี้กับหลวงพ่อก็ไปขอเล้วยขอขอดมมืวมาได้มาพวกไม่ออกเห็นนะน้องมอพวกเจ้าทีถือขอเงินเพิ่นไปอย่างว่าสั้น โอ้ยมาถังป้ามีออกไงวาเนี่ยเช็ตเงิได้สีแ ล, ล้วเนี่ยถังมือนหนึ่งก็ได้เท่า น, นี้สนอกสามค น, นสนอกมก็มาเพื่อนได้ไปได้บ้านเพื่อ็ไปเ้าพูนั้นเพพูนเพ่นก็แพ้มาทนแล้วแพ้มาเพื่อนเอาไมห้พื่นนี้ไม้ไห้ดิงเงินสามเจียพันมมึงเลได้ บ, บิเนี่ยชัดภาษาญญอย่างันวันได้ยีบห้าบาทเ อ, อวันยี่าต่างรมเพื่อ <c oughs> จ้างคนมา ไม่เห็ดอยกสามสอามมือนสี่มือแเ้วเสร็จเลยแล้วแถวเราเห็นยังไงวะเงินนกิริยาแด้เอาบานี้พ่ออันน่นหรอกครับพอมันแห้งหอกครับบานี้ก็ไปจุดเต้บานน่ะบอนบนในห้างต้อยน่นี่ยพา ก, กันเอาตัดทำได้แล้วหอไปรซน์ได้บาน่ะว่าไม่หรืไง ไม่ดงห่างไม่อย่างนี้มัน่นเ่งพอพอในพ่อขอไได้ก็หอบไปอ้อมมือแต่แล้วอ้อมตน้นบนบนทางต่อยยวพอมันแห้งแล้วนี่ก็จุดพระนะสวยพระพระจุ ด, ดพราโดนพอคงลงพอพวกคนน่ง่ายดูจุดวันโอ้ยบ่ไนยินบ่เห็นแม่มันต่อมจากเม็ดได้บ่กุ้มเด้ตายบาก็มีตตัวหอกเออือ เันี้เห็นเด้เห็นแล้วระเวนได้แ้งอันเชียงอันนั้นได้เชียงฮอปุไปพอไหวได้ไปเบิ้งด้วยะนว่าไปเบิ้งหอ่อยเอาออกมาเจกะถังออกมาได้เคืองกูถังวาลูกมันอ่ะแม่เบงวะคึกักแตเดไม่ออกบ้นใี่บาน้องมาชมเอามาแจงที่โตได้วะเพ่นกล่านมาชมไม่มาแจงทดราาจีนเนแซ่บถึงแม่ด ดีดีแบบนี้ดว่าพวกฟันไฮเอาสินว่าทางป่าโอ้ยเห็ดยูหันไม่ออกแอเห็ดโยกอะตั้งแต่จีนั่นอันควมเอาร้อยควมหมดวะเนี่ยเอามีเฮี้ยเหลี่มหนึ่งได้คีดได้สักสองสามคนนี่ล่ะมันที่ลมอ่ะกลายไปนี่ก็เลยเห็ดแพะวะเนี่ยไปตัดแพ้มา แต่ตัดแพร่ไม่ไพ่วันนี้หลวงพ่อก็บ่สท่านมาเบิงในมูว่าเป็นมูผ่านนั้นพักกันลองใหม่เตอะเตินมามาเถียงเอออะเอออาเราพอจะเรงพอจะเล่นบ้านกุฏบัณฑ์หลวงไพ่ท่นทั้งพคนละทั้งฝากท่านฝากคู่ผมนะเนี่ยแล้วเพิ่งกลับไป มายู่นําหนักเพออื่นตี่ยก็ง่ายก็ลงพอโอ้รุดบอดรูดงพอเดอกละ่ะถ้ว่าเพ่นเกิดก้อนมายุ่นดําันักรมากอ่ะโอ้ยไปเบิ้งยังนอตัดคอรอแค่ไหนข้าว่าเนี่ยแพนทอนห น, น, น, น, นึ่งตอนหนึ่งอ้ยเถียอแตงหนังสี่หรวะเมื่อติ่มมาตัดฟันไม่ทิม่มหรว่าเก่าเนื้อสนอกโอ้เสื่อนแงได้สนหรอนโอ้ยเพออย่อนเอาบดล่ำมาเนียแหละวสนหอกมันล่ำส น, เ น, น, น, นเนี่นสนหอกมันเงานอีกพื่น่ ว่เจ้าเด็กในบันเนียกเถียงกันบเนี่ยพวกบูเถียงกันลืมลืมมมเถียงบรงพับกันเงูดวาพูได้เก่งไหหลวงพ่อไรมูนีเวอร์ทนเดียวนี่นี้พวกเจ้าไปไปนอนท่กเฮ็ดเองกันเดคนเดียวก็ได้ดอกต้ําแพ้น่ยว่าเถอะเฮ็ดคนเดียวเฮ็ดเลี้ยแล้าเอือนมูมาข้นเบื้องขี้เบ้องบัเนี่ยเฮ็ดยังเสียพูดจากน่ว่าอก เจ้าโง่อะไรแต่อันนั้นมันจะไป็เห็ดยังวันที่ขี้ได้เขาบอกมันเป็นเห็ดขอกหมูว่าะมันมันมีหมูข้างดอกวัดท่อดอกคืพอพ่อของเห็ดบาดีก็เฮ็ดพ่อเห็ดอันนั้นแล้วเพ็ดมันแล้วก็ไปตัดไม้รัฐบาลเนี่ยไปตัดไม่ไผมาคนเรแบกคนเราแบกเอาหมาใส่รถเอารถไปใส่มาหมาใส่ โอ้รถไปหลายขัน้นอยู่ว่าบานนี้ก็ไปตัดเสาท่องเหลีวตัดเสาตัดไม่ซ้ำกุกขาซ้านี่แหะไม่เห็ดเสากุดเดี่วเห็ดของไปของมันเดีวไม่อยากอยู่เนี่ยบนถังน้ำถังอย่บนในบ้านมีก้อนเห็ดบ้านนี้ก็บานนา้า ตีไหลมากน่ยบ้อนก็ท่านก็ใส่หวยหนึ่งม่หยมาตัดตัดน้องนำเนี่ยอันอันแม่แม่นำยังแบบคนอื่นนะแม่นได้น่ะนี่นหละมาแม่แนำยังเขาอินแม่แม่นำขั้นแม่แนำยังนองเมื่อไหลสักมานาสักลงมาใส่คณะเกินบารดาตันท้ายนี่กับบนบนเผื่อที่องนี่ มันน้องปูเฮ็ด้องนี่มันเป็นที่ได้ไหมออกมันเป็นค้องเขามันตื้อเตื้อๆได้น่ะบันิมน้าน่ะมันตวนมันมันเขามันก็กัดไปกลัดไปกัดไปน่ะตัทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้พ่งไปให้น่ะพุ่งไปตะพนเพือมันก็โ่ไปหโ่ไปหาพง่ไปหวมพุ่มันพง่บานนี้หาทีหายากบานเนี่ยพวกยหันเขาก็เฮ็ดไทยเฮ็ดตัวเต็มพวกขอเขามีเขาเห็นไปเฮ็ด เขาก็าอยากบารหิหารวัดต่เขากัดมาถวายกามีบานนี้หลวงพ่อเขากัไปจาไป้างรถไมโค้กเขาแล้วมาขุดอันเนี่ยขุดล่องไปซื้อหุ้นแล้วหุ้นบานนี้กะเอาดินขึ้นไปใส่ตันอันนั้นให้ดินให้ให้น้ํำไรทำห้องพี่เราแบบรัดเป็นคําพี่บ้า น, นี้เอาบ้นโ น, น้นเนี่ยเป็นวัดเนี่ยมันไปพูเนี่ยไปหาบ้านค่อยไกลเตินะมหุ่นน่ะงอกมางเสียตั้งแต่เ ย, ยวัดยุบพุ่นยู่ฟังอยู่ฟังนุ่ น, น เอีเดี๋ยววันนี้น้ําน้ํานั่นไม่ออกช้าน้ํามาน่ะพันพังลงพังลงพังลงมันติเบิดแล้ว <c oughs> จังเลยเพียบตาน้อยเดียวนั่นเราวพ่อพี่พอเนี่แหละวัดท่อนพี่วัเกี่ยววัดท่นน้อยนะเดี๋ยวกับเพิ่นกลับไปเฮ็ดบนหลอห้องนี่หลอหลอที้หลอหลอที้หลอไม่น้ำนี่ล่ะไปเฮ็ดแถวเป็นแถวไปเป็นห้องแถวไป ไหพายยูน่ะโอ้ยมันเห็ดไทนาพังยิงนาะเห็ดตั้งไหนน่อยเนี่ยนมันออกหลวงพ่อเนี่ยมันก็พายเห็ดพุ่นเห็ดพุ่นแล้วก็ไปเห็ดยกเบื้องบนพี่มันที่ห้องมันที่เบื้แล้วเพียมันมันมันพังลงไปอ่ะแล้วบัญหาททังพุ่นมันพังมาหดลยข้ามี่มาอีกแล้เห็ดเอ็ดบนพี่เห็ดสะพานขวมสะพานขวมก็พูกว่า เห็ดกุดเห็ดบูมันยังแล้วพ่อได้ยุ้ยได้เนี่ยกพักกันเออมันมักพักกันมาเฮ็ดฝาเห็ดน้ำท่วมวอนเห็ดนั่นน่ะป้าน้ำอกกจะหูเป็นป้องให้น้าไหลสัแล้วเห็ดหั่นกอนพกันเอาเลืกมามาแล้วก็เอามะมัดมัดแล้วก็โอ้หาเอาหินมาวางแน่ยงแน่ไปก็มีมันไงไ พ่อสมควรเรากับมาปั้นเท่าเร้ยกว่าไะปั้นเอาอีทไปปั้นโอ้เอาเนี่ยเอาอีเดนไปปั้นไว้อะปั้นกับปั้นจงจะเป็นแทนมันไว้พอได้ปั้นแทนมาเด้เนี่ยกับพักกันเห็ดปั้นเอาเอาเด็กมาเห็ดท่านนี่ยเด็กมาเห็ดมัดเป็นโค้งเป็นโค้งเป็นโค้งไปโค้งเทพ่อยังไงก็เทปูนนัแลละเท่เทเทเท พ่อเป็นปูนแล้วเป็นหู้แล้วเป็นสี่เหลี่ยมเท็ดดีเติบวิลี่นี่แหละไปจางรถมาเอาดินมาใส่นันแล้วนะ่ะเมื่อใส่ขึ้นพ่อผู้จาว่าเอาใส่ตลอดแล้วก็ปรดกระคีแดนขวมน้ำเออเอาใส่น้ำใหญมาแต่พืแต่พื่อฟองยำพองเอาใส่โยงสันจนมันใหญ่ จนว่ายาเท่าตัวมือในบหุ่นจักเสมคอคนน่ะว่าจะคนเป็นแต่ลอ้ลอของนี่เป็นต้นไม้เหี้ยวัดห้อมีแต่ต้นไม้งียบาเ น, นี่ยอยู่ในาน น, านนมานาะบแมนของเกาดอกต้นไม้ตน้ตนต้นซ้ำ เ, เนี่ยอะไรเนี่ยต้นย่างต้นอย่างนั้ น, นะขึ้นเป็นโอ้ยเป็นนายุคนยุโรปผู้น่ะ บะเบนศาสตร์เป็๋เม่อกีนนี้บะเบนธรรมดาแต่ว่าน้าท่วมที่สุปีแรกไม่ออกเห็ดํากูจำนี่เลยเนี่ยเห็ดพักสองอีกขึ้นไปมันก็นยังที่ไปท่วมพวกพักนี่ท่วมไปเบิดแน่เนี่ยพวกหลวงพ่อพา ก, กันไปเบิง้งแต่อยู่วัดนุ่มงวดดอกกับหลวงพ่อจันลันอ๋อไปทอหลวงพ่อคงไม่ไปยามพวกน้ำท่วมทอท่านก็ไปนี่แหละ ไปก็เอายังเปตุกเขาสาันเอาผ้าห่มผ้ายังไปให้กันทะเลาะแบบน้ำท่วม <c oughs> เออเนี่ยแหละซื้อมือนีห้องฝนก็ยังท่วมอยู่ดอกแต่ว่าห่างมีฝนเพลิงอาศัยร้ายเดี๋ยวนี้ย้ำห้องไปย้ำเพลินเปิดเปิดอบรมบาทีไปก็โอ้เป็นอ่ะเป็นอายุแต่ต้นไม้ ต, ต้นย่างไม่ตันขึ้นไม่ตันเนีย นะมิจฉลตัวติได้ดดดนี่เก้าดีทิพดีเด้พวกเขาน่ะมิจฉามาหอดบถุถึงได้ อ, นอนา น, าน อ, องเพลินน้ำถ่วห้อนิ้วท่วรกถ่วมกับถ่วมเจตลอดไหลมันพันไหล พ, นนพันนสื่อหอกพวกถ่วมเครื่องเพลินหอกดีแล้วพอจะปฏิบัติแต่มันดีพอหอดเบิดยุบเบิดสมัยมันแล้วลยม่ออก เบิดยุกเบิดทำไมมันแล้วมันก็คอยสวยไปสวยไปเนี่ยมังเป็นคนตายนะ่ะยุย่ยซืย่อซก็ตายเออน้าท่วมนอนหลับโยกกะน้ำท่วมมาตายพองดินพ็นดินเนี่ยมันมันติลมอนนันนี้ถึงอย่างนั้นแต่แทนมันเป็นอมไรล้มลได้อเนี่ยของเขาอยยุ่ซื้อซือฝนตกมาลงลงไปจนว่าท่วมคนตายบมด ทา่าางวัดสระบุรีเป็นเขาออกตือเพี้ยมมั่นเ้าเขานั <Yeah. S 1> เาน่เหตดรวดใหตคนงามความดีนะญยนันญาติ น, นันเดอ้อ่าตกสร้างกันว่า ม, มีประโยชน์อย่างดอกคนงโงูหลงพอลุวสอนหองพ่งแล้ว อ, อยากโงหลายก็ให้อยากงหลายก็สร้างลายอยากโงหน่อยก็สร้างหน่อยขันงโ ง, แงนนูแต่แทบพอสร้างจ้าเทานันบุนมีตรบุญเนี่ยมันใกล้นะ ยกมืออยู่ยนเนี่ยแนวเพิงเขาดนเนี่ยพอเพิงอพอเขามายกกับตัวมือนี่มัอนกับว่าหนีไปใส่ข้อคมคิดของเขาเนะ่ะจิตใจเนี่ยู่อยู่บานอยเฮียนเนี่มันหนีไปใส่เกินก็ไม่ก็เป็นเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันคิดออกไปเนี่ยขยุนเผาหนุ่กน ม, รรมออก ร, ะ, รเอออกะเป็นควอมรูลแล้วไม่ออกเป็นรูแล้วรูคิดอันเขาราะว่าพรออกไปไปค่อมคิดแต่มันออกไปนะ่ะ ก็ขึนมันฝันวันนักขิดนี่มันโป้อยู่น้ำพ่ออิหรีแท้ๆด้วยอันใจนะมันออกนี้ไปเที่ยวเรี่ยๆไปสัางพบสั่งศาสตร์มานี่มันบ่มีเด้บ่มีคนมาฝึกกังห้อมีแต่ให้รับหูรับตามีแต่ให้เบิ้งรบหายใจไปจั้งท่านแล้วบ่บ่อยมาเบึงกิดบาเป็นเบึงกายเค่นไหวกายใจรับดู้เข้านี่ยเด้ประเทศมุ่นอ่ะอันนี้ต้นต่อมันแท้ๆยุ่ยสคข่มทุกเนี่ยต้นต่อมันก็เกิดอยู่คนนี่แล้วมันไม่ได้เกิดอยู่ในได้น่ะ กายกับใจเนี่ยเออเขาบเห็นเเทียบมเดเห็นนี่ยเนเนี่ยอ่านมันจะเทียบเขาบก่าหจะคบเบงแลมอนนี้เป็นเ็ดเบืดแล้วอันนี้ก็เบิงบพระพุทธเจ้ามันเ่ยังยืดได้ใจไม่ได้เบิ้องกายอันไหนวะไหนเบิงบัดตาหูจะบกเรื่องกายใส่ทั้งนอกหูเนี่ยเฮ็ดดีกับเห็ดเห็ดจ้ากบกเห็ดเบดตั้งแต่มันมาเท่าคิดให้นะเงินทองเขาของอะไ้หลายๆจนบ่มีมันไม่เอามี หั่งคิดอยากได้บัเขีอยากเทียเออ่นเนี่ยเหนือเพิ่นก็บบเพิ่นบัคิดเห็นักเทียได้บัดมาเห็นหลวงปู่พามเห็นแล้วหว่วยหลวงปู่ห่อได้มาแต่เสพปุก็ย้อนเลยเงืดไหลมันจังไหนจะคอยคิดเห็นอันจิตชีวิตจิตใจเนี่ยอันสงพบสั่งซานี่กะตั้งแต่ก่อนนี่ยก็บเคยได้ยินนักเทียหอก คือว่าจะศาสตร์นั่นศาต์นี่ฉไม่ศาต์นี่เป็นอย่างเดีา์นั่นเป็นอย่างไดีวเพราะอย่นี้จะพิ้นเาอยู่แต่ว่าหง่เห็นวันนี้เฮาหัจักแล้วบัเด๋มันอยู่ในขดเฮาเนี่ยเาสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นเองเราก็ไปสู่กาสูเวทในสิ่งเดียวเห็ดนั่นละเนี่ยแต่วันนี้เฮาหูจักแล้วบันเนี่ยหูวจักบุญแล้วบุญปุ้ยบุญเนี่ยคือเลือกออกจากจริงวันนี้จริงที่เฮาเห็ดยุบบุญเนี่ยหูวจักปวดจากปล่อยจากว่างจักละยางเสีย เฮ็ดไปกันหูจักเก็บหู้จักเมียนหู้จักปั่นกันยุ่ตู้กันจินเป็นแล้วมึงสิเดี๋ยวเจ้าห้ามายุ่งสิด้ตื้เขากินยังเจ่าว่าไม่ออกเยมาเงิดไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสบายไปเนี่ยเอออันจินของเทียบยี่ห้อเพิ่นว่าเนี่ยม่เห็นแล้วอ้ยไปสางขักหลเห็นเห็นพวกเขาเนี่ยมาจินของทียบเต้นขึ้นมาสิคะบพราได้เฮ็ดยัง มีเรื่องจสั่งถึงววะเดินชงกลมตะพืชตะพื้นเนี่ยหนึ่งผู้นั้นเอาของมาหนึ่งผู้เดียวของมาจักมันมาแตด็กอย่างไหนไปบางนวยคอยแลแ้เต็มบ่เศราจักเทเมื่อเขาว่าสีบดกับบอมีไปพวกนี้อยางไหนก็เต็มอยู่คือเขาโอ้ยได้เอาไปให้พุ้นวหลวงพ่อเอาเขาไปพวกพวในบ้านพุนะมันเป็นก็มันเป็นนั่นน่ะเป็นมอดอสันนี่ที่ว่ามอดหมือนกับว่าบ่ถือไมนจตกมั น, มนยังลืออยูเ่เี้ย นี่ั้นได้เอาให้พวกบ้านน้ำพรสั้นพระวานนะ่ะเนี่ยบุญห่อบุญยังบุญเท่าไลเน่ยนี่บุญไร เ, นะเนี่ ย, เ, ยนะเนี่ยคนบุญนะเอีมาเดินโยกลมมาต่างจังว่ามาเบื้องจะคลองเบื้งคิดเบื้งใจคล้องเนี่ยมาแเจวแจะจะคลองเองใจมันจะไปสร้างค้นทันทีหรืไปหักค้นทันทีไหว้เอาก็ระพุชักเบิดเด้มันมีโทษเบิดแต่ไม่ออกเนีอันดีน ก, นนกัมีโทษอย่างหนึ่งอันชัวก็มีโทษอย่างหนึง จังเีราเมืรวมกันแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันไปอีกที่เ้าเออเาก็พบมันมีผิดม่ผิดอันนีูเนี่ยปาเดีวมันไม่เห็นแล้วเนี่ก็คอยเศร้าเเบื้องจิตเบื้องใจมันหักกับพวเสียบ่บ่กับพกเสียมันมันสร้างกับพวกเสียมันแล้วมันเด็ดเพเน็บนะเอเขาก็ตาหูจมูกดิ้นกายใจรูปเตียงจินรถผลผาธรรมล่ม เออมันเกิดขึ้นมาเฮ้ย ห, หูจักแล้วยออเสายเ้ ห, หจักโอ้เบิองเจ้าของเน่งตงตก้อนเขาบอกเบิ้องเน่ไม่ออกเขาไปเบิ้งว่าผู้นั้ น, ผ, นผู้นี้มาขี้ไล่แทะวุ้นี่มาโจห้องแทะโอ้เป็นอนะสัง่งแต่พูดเน่ะเมือนั่ยเป็นเาเบิ้งผู้อื่นบิดทันแล้วประเดินหูเขาเขาก็เครียดจนวะเครียดเขาเขามาด่ามาว่าอีกกรตีตีตีข่าอนี้จนวะเนี่ยมันเป็นอย่างนนะเดี๋ยวนี้เฮ้นั่นมันเบาอะไรเยเลยเนะ่ะเบื้งเจ้าของผู้ได้เสียจังเลยที่ เ, เา เออติดีกับิดชวนี่กัเป็นเรืองของเขาเออเขานั่นย็บตเปเป็ตนย็บอยังเสียจนว่าผู้เป็นนั่นน่ะเขาจะในยางห่อโอ้ผู้เพ่นเพ่พ่นยังท่านเพ่นดูซื้อซเพ่นยัง้ปากแดกู่ที่ปากยัง่านกะเล่ยบปากรูซือซื้อเบื้องแล้วไปเพื่อก็แล้วไปดีนมืกั้ไปเพื่อ่ว่าได้ยินเสียงกันจกเทเนี่ยไม่่อยเศร้าไปะนั่นแหะขันู้ใเียงแนงทีรับมูว่เถียงน้ำทเหมือนก็เศร้าแปลงท่น โอ้เนี่ยมนนนันเป็นน้อนหนังเป็นย้อนห้องมาฝึกนี่แล้วมาฝึกเบื้องคิดเบื้องใจของเน่ะแต่กี้เนี่ยหาว่าเบิ้งเสเบิ้งกวเบื้องกายกันไว้ใจรับรู้เนี่ยอันมันบางอย่างแลยห้าย่างไปเบื้องคว่มรู้สีคุมยเนี่ยใจอกกายนี่มันก้าวไปก้าได้เ้าก็ะหูจักกายมันกายกายไปก้าวไปก้าวได้ก็ะหูจักขาใสายขา ข, าขวามือใส่มือขวายก ข, ขึนกก้นเา้าก็ะหูจักโู้แล้วห้าว่าไปเปนน้นํามั่นยังเสีย แล้วก็หูซื้อยกขึ้นใหู้่ไอ้หซื้อในจิตใจของเขาเนี่กะมันไม่ได้หนีไปเที่ยวได้บัตเนี่ยมันไม่ได้ไปเที่ยวมันก็ว่างมันก็ยู้ซื้อไก่เคียนใบมันก็หูจักกายเคียนใบมันก็หูจักโอ้อันนี้กายได้ใจได้อันนี้ใจทุกข์กายเหนื่มันเป็นหังสี่ได้เนี่ยเจ็บหัวปวดท่องเออจังเตี้ยมันห่อนมันหนาวมันเมยมันลามันหิวโอ้อันนี้มันมาเป็นหนังสือ ม alloy, money, money, money. So ันม well ันมันมันทั้งใจเขาบอเปลี่นเด้นต่มันนี่ไม่เป็นกายด้วยเนี่ยนี่หนาวขั้นไม่จิตไปหัดสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มันเที่ยวมันไปนี่อ่าอันนี้มันิไปทั้งใจด้วเนี่ยทั้งใจมันพ่าเหตุไปอยู่เนี่ยมันสั่งเขาวันนี้มันอยังละพ่ายเนี่ยไปเห็นหอนมันโกรธโอ้ใจเด้มันพ่าทั้งคนเนี่ยเนี่ยมันพ่าเดียดร้อนนี่เถอะมันเบิ้งโมเสือมันบ่เป็นเบิ้งบ่เปลี่ยนเบิ้งคนอ่ะมันก็เลยคอยมาเหยียดเขาหูจักหูเขา ผู้เขาเราก็จิตใจก็เป็นปกติปกติอยู่มันสบายสบายแตในผู้ใดเหตุนี้แลงเลี้ยงของเขาเขาผูต้องไปหัวท่าหอกเลี้ยงกระซังเถาะเขาบ่ห้อนบ่เดียดบ่รอนีเี้ยนะเดี๋ยวจะไปจะไปเหตุไปหาเลี้ยงมาเนี่ยยางกับยางเสือๆมันออกไปมันบ่เป็นแนวดีได้ใจเขาก็ไดมาเบิ่งจะของนี่แล้วคอยเบิ่งหน่อยยกมือไว้ยกมือหูยกมือหูก้าวไปก็บหูก้าวไปก็บหู ให้ใจทำงานให้ใจเฮ็ดหน้าที่ของมันให้กายเฮ็ดหน้าที่ของมันจังเสียให้มันมีควบสมาคีกันกายกับใจเหาเนี่ยบาให้มันออกไปเที่ยวเ่าให้สั่งพบสร้างศาสใจของก็พบทปกติสันเหล่าเบาตนเบาโตเบาคิดเบาใจแฝงเสแล้วมวลโยนในจิตในใจห้องเรื่องเทียมันหนักเัืงสี่แบโอ้อันขั้นมันหนักเร่องที่เขาก็เบิงเขาเติมว่ามันเถียงธรรมดาเขาที่ไปหำอย่างเดเขาก็เบิงมัน เบืองสื่อเบิงว่าให้เขาไปยูน้ามันเด้่เนี่ยเนาเอาไปเอามาเมื่อ็ค่อยเท่าไปเท่าไปค่อยเบื้องการเคลืนไหวเรื่อๆไปเมค่อยเท่าของมันไปนั่นเสีตั้งแต่ก่อนนี่เขาทุกย้อนอันไหนเป็นกับเป็นน้ามันเบิรดั้นมันเป็นอย่างในทั่ที่เขบอยูซื่อไปเปไปเป็นน้ามันอยากใครปันหนีบออยากให้มันเป็นนั่งสั้นบ่อยากมันเป็นนั่งีมันมาว่าเจ้าของด้วยน่ะมันเห็นเจ้าของเป็นเอง ทุกเองเนี่ยขันเฮาเห็ุดีๆนีกิดพิคบุกถุกเนี่ยกะบกอยากให้มันหนีไปเลยแล้ววะเนี่ยไปกดไปเพ่งไปจ้องมันก็เลยเลยหนีออกจากเฮาไปอีกเนี่ยมันบระหุจักอ่ะเพื่อนบอกว่าให้เฮาเบิงมันเอาเบิงเนี่มันเป็นที่แต่มันบ่เทียงบ่มีตัวบ่มีตนมันบ่เทียงจักเนวยเดี๋ยวเกิดมโลกเนี่ยมีแต่ทิ้งที่แลายไปเบิดโคย่างโคตรนี่ยเปลี่ยนแปลงเบิดโคตรเนี่ย นี่แหะเนตโตเฮานี้ก็คือกันผู้อื่นก็คือกันเฮ้านี้ก็ะคือกันเป็นคือกันบดใจค้นดื้อนันก็ะคือใจเฮ้าขันหกจักใจเฮ้าแล้วโอ้เพิ่นกรคือกันกับกูเนาะกูกรคือเฮ้ยกับเพิ่นเนาะเนี่ยมันหยุดคิดอยู่ในใจหมดนะมันก็เห็นเนาะกัมันก็ปล่อยไปว่างไปเพิ่นแต่เหล่ก็บโป๊ก้าเฮ็ดโป๊ก้าว้าซิ่งในที่บอดีเฮ้ากับโป๊กําเนี่ยมันได้อยู่กับเฮ้าเฮ็ดแนวเดียวเฮาทําแนวเดียวขันเฮ้าทำดีก็ได้ดี แค่เขาทาตัวก็ได้สวัวเกิดมาหนีมาทาดีเนี่ยอดเยเกือบทาตัวเขาก็เห็นจนในตัวเขาเนี่เห็นมืดมาทาดีเขาก็สบายใจเห็นมืดเนี่ยเสียอวัยวะเข้ามาบานเนี่ยบืดบนเอาหรอมีเท่านี้มีหรอกัพักกันเบื้องเอาบ้านเนี่เบิ้องจะของเบองไผเบื้องมันแก่ไผแก่มันแต่เดแล้วเออเนี่ราเมี่ยงสวรรค์นะเมี่ยงสวรรค์นี่มันประทุขได้ไม่ออกกินของทียบจะเนีย ยาย้ำหัวย้ำจเขามาสิก็ได้ยินเสียงทีลังครแ้งแมงๆๆดีติของหุยหุยนั่นหุ่อยหัย้อนย้ำจีเขาด้วยเนี่ยถามื้อเอามาเอามาดังได้จันทร์ของไฟของมันนก็มาว่าตักเอาแล้วก็ไปกินเนี่ยเนี่ยมีบนท้ยยังพอมวดมีบนนอนพอมมีตั้งแต่ได้ดูของทิบเบิดคูตุยาังสุเแนวเสียวยังได้เอะเข่า เมียงสบัยด้วยเนี่ยเออเอ อ, เออเออนี่อาเดอนี่ละห่อออชาสเปิด น, นีด้ยังไหเอาจนตายห่อตายค า, น า, ายเนี่ย่พ่ต้องไปเซหลวงพ่อพชิกตรงนี้เน่ยมันติดตายตายค่าพอหยังเนี่ยที่บดไปเสเอมันมีเท่านี้ทนถอยหลวงพ่อหนี่นี่ละพระอาหารหันห่อเอืเขา เ, เห็นคักพด บุิ้ยินมตงแล้วด่าเอาเขีแม่ไม่ไดดีอยู่รอดหายยากแต่แท้ไปบังพระทั้งบ้านนอกเด้อไปนอนได้สามขึ้นสองขึ้นก็ใจสิขาดเข้าบัเห็ดบวเห็ดคือเข้าดอกเออพักกันเบาเพยังงมนี่ล่ะเป็นจัดยิ่งๆก็คือดเป็นเบาคือเข้าที่เ้าเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เลี้ยงเขาว่ได้ได้ยินพูน่ะเดี๋ยวของพวกญาติไปงมพูน่ะไม่ได้เบาเลี้ยงของพระคือเข้านี่ เดี๋ยวพอเขานี่มีแต่เดียงพระยังอันนั้นพักกันเห็ดตันลึลมึมเห็ดยังไหมเป็นพ่อข้อใหญ่น้ำไหลอเ อ, ละ เ, อ, ล, ะเอละเนาะโอ้โติกับพระสู้กันฟังให้เป็นจะติดใจน้อยขอยู่ดีพังดีข อ, งขอให้ญาติย่อมพี่น้องทุกคนตลอดทอดคุณเจา้าจงจะปฏิบัติใ้เขาถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือคือของสว่างสะอาดสงบ ควม่มตุดบริตุ๊สดใส่บังไว้จ้องมีแย่ห้องนี่ทุกปูท่ทุกคนในราใน้านใกล้นี่เธอ